ให้สิทภาวน่าด้อยตั้งใจภาวนา่าเพราะว่าผู้คนสิทสิภาวนา่าต่อไปมันตินลอยล่องลอยล่งเรื่อยๆด้วยหาหายากสำหผู้ศรีภาวนา่าต่อไปนี้บอกว่าจะไม่กระเจ้าประสงค์ล่ะในหยาดในโยมไม่กระจ้าประสงค์เลยกระจ้าประสงค์สิทธิภาวนา่าหาในหยากแหละนี่แต่นี่แต่ผู้เห็ุ นั่นเหตุการณ์อื่เหตุเบียดอื่นเบียดภาวนาบรเิเวณโดนไปมันจะเป็นยังสั่นเมื่อเทิงหยาดเทิงโยมเทิงพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นแต่ผูู้เกงกาจสามารถในคิดจ ก, การต่างๆกางงานจัดงานนั่นจัดงานนี้จัดห่องจัดเที่ยวยังสั่นเี้การภาวนาเอาใจใส่ ตื่นขึ้นมากคืดหายไปเรื่องสิว่ายภาวน า, นนาวช่ลงพ้นหงบคืดหาว่าทางไหนยามไหนสิเดินจงกรมสิได้นั่งสมัคริโดนไปสิบโมมี่เลยอันย่ามเข้ายังพคมมี่มูอยู่เปล่าเห็ดซะโดนไปมูกับสิบโมมี่อันไม่เท่าจะาเห็ดกันได้อยากข้ามภาวานาคนไหน ม, มูพวก คือวงสังคมเขากับจีบให้โอกาสเท่าก็สิอ้าเทากัเห็นนั้นเห็นนี่ไปเรื่อยเข้าจิบวได้เห็นอย่างในสังเกตเมืองเอาเขาว่าระวังหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่ประยูนเนี่ยในต้อมเมืองโลดสังเกตเมืองอ่าความำพิงจังคว่ำเอาใจใส่ไมการ่วนภาวนาสามารถจิตของวัดเท่านั้นเลือด ไ, ไหลายในอัน อ่อนภาวนาทังใจภาวนาอีลนะีมันสีเหลือจาก1ิเปอร์เนบอกรบบหุจักกับยนันเหลือกเท่าชิเปอร์เซ็นะ่นะนทางไสยาตร์ไสย่ิที่กันนะี <c oughs> ่ยว่าพุทธิสุภักข์ไปนี่ตามประพฤติปฏิบัติถ้ำอาจัดหน่อยลงนะหน่อยลงเห่าให้ภาวนาจ่ายใจกัภาวนา ในตั้ง อ, อกต่างใจแนวนี้และแนวดุเดี๋ยวนี้หนเขากําลังหาเรื่องต่างๆมาปั่นมาพวนในนักภาวนาทั้งรายนี่หนีออกไอ้ปั่นไห้พวนคิดใจพยูเป็นสุดบองนี่แบบภาวนาแต่ทีนี้เจอเหตุเหยียดน้าเขานี่ยแหละเขาเอาเหยียดนั่นเหยียกนี่มาหลอกโลกเขาโลกเขาเอาเหยียดมาหลอกไม่เหตุอะไนี่เราได้เงินเด้ ได้ดเอ็นั่ น, นได้เินได้ท่องได้ซื้อได้เสียงเ็ทีนิยมได้เันล่ําำลยมีโศนีลาดแต่นี่เขาคืดกนี้กันเขาก็เอามารอรอแล้วข้าคือเมลลอล่อข้าวผืออี้ฮเนี่ยเ้าวผอยากมักมักอยากดังมักอยากมีซือมีเสียงมักอยากําอยากลวยอีนี่ย เวลาภาวนาเขากะหน่อยลงมือพวกปีกิเฮ็ดคือยังเข้าเฮ็ดยังภาวนาเดินจุกรมนั่งสมาธิเขาทู่ทมทุนหมดเนี่ยแต่ก็ไม่จะหน่อยลงลยสังเกตเวันจากสมัยลวงพูมหอดสมัยเข้านี่ก็ น, น่อยแล้วเหลื อ, อยุเฮ็ดในน้ำไผ่น้ำมันตอนนั้นเฮ็ดไอเสียออกมาเฮ็ดเป็นสิน่มเป็นอันเป็นลูกเป็นแบบเน เลี้ยวไปขัเห็นแตุ่ญญสงคมนั่งยังสงคมอยู่สงบนั่งภาวนาอยู่ตามสุตติพุตตางั้นแพสุบมีเนี่แต่ก่อนมันนี่มันนี่จะยังสัน่นอ่ะพาะฉันเส็จแล้วเขาที่สงคมหาเขาที่ลบที่สอนตัวสงคมภาวนาเ่งนมันสุบมอมีนี่โ อ, อกาสอันเทา ยัด่มไม่มูไม่มีัวกบเพราะภ า, าวนาจะ้ะภาวนาสหัดซ่อมใจเจ้าของเละ